เจ็ดเสขียกันคำถามคำตอบในเสขียกันละเจ็ดปาทุกวัตรละสิกขาบทที่สิบห้าถามพระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้น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 กัทะปัญจติวาระที่หนึ่งจบ